การตอนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศสนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กรุงกรดาคนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านท่างหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญตักบาทรถวายสังกทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศนฟังธรรมเพราะเพราะว่าได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการล้าลึกถึงความจริงว่าเราเกิดมาแล้ว เราต้องแก่ไปเป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาเราต้องตายไปเป็นธรรมดาเราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบทั้งหลายไปเป็นธรรมดาร่วมพน้นความจริงเหล่านี้ไปไม่ได้เมื่อเราได้ล้ำเลิกอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นคุณค่า ของการทำบุญให้ทานทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองเพราะเรารู้ว่าหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วคือร่างกายนี้ตายไปแล้ว เรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องไปต่อไปข้างหน้าไปพบหน้าชางหน้าสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกุศลหรือบาปกรรมถ้าเรามีบุญมีกุศลเราก็จะไปเกิดในสกุลติไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเป็นพระอริย บุคคลขั้นต่างๆแล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตที่ดีกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีเงินทองมากกว่าเก่ามีสติปัญญาความรู้ชลาลมากกว่าเก่า นี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลส่วนอนิสงส์ที่เกิดจากการสร้างบาปสร้างกรรมก็คือตายไป้เราก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับกําลังของบาปกรรมที่เราทําไว้ ว่ามีมากมีน้อยเพียงไรหลังจากที่เราใช้บาปใช้กรรมหมดแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้รูปร่างหน้าตาที่เลวกว่าเดิมสติปัญญาโง่เขามากกว่าเดิมเงินทองมีน้อยกว่าเดิมเพราะนี้เป็นอานดิสงของการทำบาปทำกรรมถ้าเราล้ำลึก ถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่ลืมแล้วเราจะได้ทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่ทําไปแล้วไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็จะไม่ทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆเช่นการรักษาความงามเพื่อไม่ให้ร่างกายดูแก่ อย่างนี้เป็นการทำไปเสียเวลาไปเปล่าๆเสียเงินทองไปเปล่าๆเพราะว่าจะทาด้วยเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีวันที่จะยับยั้งความแก่ไปได้ในที่สุดก็ต้องแก่ลงไปเงินทองที่ทุ่มเทไปกับการเสริมสวยเสริมความงาม ต่างๆก็จะไร้ประโยชน์เสียเวลาไปประปาเสียเงินทองไปประ่ า, าถ้าเรารู้ความจริงอันนี้แทนที่เราจะเสียเงินไปประ่ า, าเราก็จะได้เอาเงินนี้มาทำบุญมาสร้างกุศล ม, มาสร้างบ้านใหม่ให้กับเรามาสร้างภพใหม่ชาติใหม่ให้กับเราที่จะดีขึ้นกว่าภพชาติที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เช่นเดียวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายก็ไม่ต้องทุ่มเทให้มากจนเกินเหตุเกินผลบางคนนี่ต้องสแสวงหายาวิเศษอาหารวิเศษต่างๆมาบำรุงบำเรอมาคอยรักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ให้ทุ่มเทเงินทองมากมายเพียงไรก็ตามไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดีดัง น, นั้นการที่เราจะเสียเวลาเสียเงินทองกับการมาป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เอาเงินทองเหล่านี้มาทําบุญจะดีกว่าเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่าเพราะว่า เ ป, ปเป็นประโยชน์กับเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ให้ความสุขกับเราเป็นที่หลบจากความทุกข์ต่างๆได้นี่แหละถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่คิดถึงการพัทดพาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไป เราก็จะเสียเวลาเสียเงินทองกับการดูแลรักษาสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งที่ต้องพัดพ้าจากเราไปทำไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอไปก็จะไปแบบตัวเ ป, ปล่าๆปล่าหรือไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้เพราะต้องหาเงินหาทองมาคอย เลียงดูรักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไปแต่ถ้าเราคอยลำเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเรื่อยเื่เราจะได้ไม่ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาเวลาให้กับการดูแลรักษาร่างกายมากจนเกิดไปเราก็รักษาแบบพระพุทธเจ้ารักษา รักษาแบบพระอรหันต์ทั้งหลายรักษาก็คือให้มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีอาหารรับประทานไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วมีเสื้อผ้าสวมใส่สักสองสามชุดก็พอแล้วมีที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วมียารักษาโรคไว้รักษาเวลาร่างก า, ายเจ็บไข้ได้ตัว ต่อแล้วรักษาได้ก็ดีไปรักษาไม่ได้ก็ถือว่าถึงเวลาที่ต้องตายไปเพราะว่าไม่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงความตายไปได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่รักษาไม่หายได้พวกเรานี้ร่างกายของเรานี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สาสาอย่างด้วยกันสแบบด้วยกัน คือแบบที่หนึ่งก็คือเป็นแล้วก็หายเองได้ไม่ต้องรักษาก็หายเองได้เช่นเป็นไข้หวัดปวดทอ้องพอถ่ายท้องแล้วเดี๋ยวก็หายไข้หวัดนอนพักผ่อนสักสองสามวันไข้หวัดก็จะหายไปร่างกายรักษาโรคภยัยไข้เจ็บของตนเองได้ส่วนโรคภัยชนิดที่สองนี้ถ้าเป็นแล้ว ถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายถ้ารักษาก็จะหายโรคชนิดนี้ก็ต้องอาศัยหมออาศัยยาเราก็ต้องเข้าไปหาหมอหา ย, ยาพอได้หมอได้ยามาแล้วเราก็จะหายจากโรคนี้ส่วนโรคที่สามนี้เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเราให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดี ก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคชนิดที่สามนี้ได้โรคโลกนี้เป็นโลกที่จะนันไปสู่ความตายต่อไปนี่คือเรื่องของโลกภัยแท้จริงที่ร่างกายของพวกเราจะต้องประสบจะต้องพบกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องควรที่จะมาฝึกฝน สอนจิตสอนใจให้เตรียมตัวรับกับความจริงอันนี้จะดีกว่าเพราะถ้ารับกับความจริงได้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายจะทุกข์จะไม่ทุกข์กับความแก่เพราะใจเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเราเป็นเป็นผู้ดูแลร่างกายเพียงแต่ใจหลงไปคิดว่าเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรก็เลยคิดว่าใจเป็นไปด้วยพอร่างกายแก่ก็คิดว่าใจแก่ไปด้วยพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็คิดว่าใจเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยพอร่างกายตายไปก็คิดว่าใจตายไปด้วยแต่ความจริงใจของเรานี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีวันตาย มีแต่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เท่านั้นถ้าหลงก็จะทุกข์ถ้าถ้าไม่หลงถ้ารู้ความจริงก็จะสุขถ้ารู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเหมือนน้องเราเราเป็นพี่ใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องใจเป็นผู้ดูแลน้องด้วยการเลี้ยงดูหาอาหารมาให้น้องรับประทาน หายามารักษาเวลาไม่สบายหาที่อยู่อาศัยให้ไว้หลบแดดหลบฝนหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาให้ร่างกายไว้สวสใสแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกับร่างกายไปถ้ารู้ความจริงอันนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน กับความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขานั่นเองเราเป็นเราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงแล้วเราเป็นใจใจคืออะไรใจก็คือผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่เอง เราจึงต้องสอนใจให้รู้ความจริงแล้วแยกใจออกจากร่างกายคือปล่อยวางร่างกายอย่าไปยืดไปติงมากจนเกินไปดูแลรักษาไปเท่าที่จะทําได้อย่าไปดูแลรักษาถึงกับขั้นจะต้องไปทําบาปทํากรรมอันนี้จะได้ไม่คุ้มเสียเพราะเมื่อทําบาปทํากรรมแล้ว ใจจะต้องเป็นผู้ไปรับผลของบาปของกรรมต่อไปร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของบาปของกรรมร่างกายเวลาตายไปแล้วร่างกายก็กลายเป็นเศษกระดูกกลายเป็นขี้เท่าไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใจก็ต้องไปรับผลบุพ้นกรรมต่อไปนี่คือ ความรู้ที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้เราศึกษาให้เตือนเราอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อเราจะได้ทำสิ่งที่ควรทำคือสร้างบุญสร้างกุศลเพราะจะเป็นประโยชน์กับใจของเรานั่นเองการดูแลรักษาร่างกายนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใจ นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นโทษด้วยเพราะจะทำให้ใจต้องทุกข์กับร่างกายถ้าหมงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเราเกิดความไม่อยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเวลาเห็นร่างกายแก่ก็จะไม่สบายใจ เห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สะบับใจเห็นร่างกายตายไปก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าคอยสอนใจได้เรื่อยจนใจไม่หลงไปยึดไปติดกับร่างกายปล่อยวางร่างกายได้เวลาร่างกายแก่ก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใดจะรู้สึกเฉยๆเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาร่างกายตายไปก็เช่นเดียวกันจะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองเหมือนกับเวลาคนอื่นที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนก็เพราะว่าเราไม่ไปหลงยึด ต, ติดกับร่างกาย แต่ถ้าเราไปหลงยึดติดกับร่างกายของเขาเช่นไปคิดว่าเขาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบิดามานดาเป็นบุตรเป็นที่ดาของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราก็จะทุกขึ้นมาทันทีความทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายหรือไม่ความทุกข์อยู่ที่ว่าเราไปหลงยึดติดว่าเขาเป็นของเราหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเราเวลาเขาเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห่วงใยพวกเราเพราะยังเห็นว่าพวกเรานี้ยังหลงอยู่กับร่างกายของเราอยู่ยังยึดติดกับร่างกายของเราอยู่ยังต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจกับร่างกายของเราอยู่เวลาร่างกายแก เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายนี้ใจของเราจะไม่สบายถ้าไม่เชื่อลองไปเวลาไปเจอหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายดูเราจะไม่มีความรู้สึกสบายใจเลยใจเราจะวุ่นวายจะพยายามหาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะมา รักษาไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปแต่รักษาอย่างไรก็ไม่เป็นไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้เรากับไม่สั่งกันก็คือสั่งให้ใจของเราอย่าไปยึดติด กับร่างกายถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราพยายามสอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดให้ปล่อยวางอย่าไปดูแลรักษ า, าร่างกายมากเกินไปดูแลเหมือนกับเราดูแลสุนัขตัวหนึ่งก็พอเราเลี้ยงสุนัขนี้เราไม่ค่อยทุกข์กับ เรื่องของสุนัขเขาเท่าไหร่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดไม่ใช่สุนัขที่เราเสียเงินซื้อมาถ้าถ้าเป็นสุนัขที่เสียเงินซื้อมานี่เราจะหลงรักเขาจะคิดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเป็นสุนัขจรจัดเช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่ในวัดนี้เราจะไม่ค่อยไปวิตกกังวลกับเขาเท่าไหร่อย่างมากเราก็เอาอาหารมาให้เขากินไปเขาอยู่ได้ก็เรื่อง ก็ดีไปอยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เราควรจะคิดอย่างนี้กับร่างกายของเราว่ามันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ถึงเวลาที่มันจะต้องตายไปก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราเลี้ยงร่างกายแบบนี้แล้วใจของเราจะมีความสงบมีความสุขมีความสบายไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าเลี้ยงดูร่างกายของพระพุทธเจ้า วิธีที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายดูแลร่างกายของท่านท่านดูแลเหมือนสุนัขจรจัดตัวหนึ่งเท่านั้นเองเลี้ยงมันไปตามมีตามเกิดเช่นไปเินทบาทมาได้อาหารอะไรมาก็กินกันไปให้มันอิ่มท้องกระพอไม่ต้องไปหาสาราอาหารชนิดต่างๆอย่างที่พวกเราสารหากันต้องไปหาอาหารตามร่างที่มี มีอาหารรสชาติเด็ดๆเสียเวลาไปประปากินไปก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารตามมีตามเกิดก็อิ่กินอาหารแบบแตามแบบจัดสรรหามาก็อิ่มเหมือนกันนั่นมันก็ผ่านไปเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใจไม่วุ่นวายกับใจวุ่นวายถ้าคอยสรรหาอาหารชนิดต่างๆก็ต้องคอยเปลี่ยนที่รับประทานไปเรื่อย รับประทานร้านนี้ไปนานๆาเข้าเดี๋ยวก็เบื่อ<ม>ก็ต้องเปลี่ยนร้านใหม่รับประทานอาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้าๆเดี๋ยวก็เบื่อ<ม>ก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนหาอาหารไปเรื่อยๆแต่ถ้ารับประทานแบบเลียเ้ยงสุนัขมีอะไรก็ให้มันรับประทานไปอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร อ, ะอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆแล้วใจจะมีความสบาย ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกขถึงเวลาบางมันถ้าไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนเวลาวันไหนไม่มีอาหารเลี้ยงสุนัขเราก็ไม่เดือดร้อนมันไม่มีกินก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของมันชั้นใดเวลาร่างกายของเราไม่มีอาหารกินเราก็คิดว่าช่วยไม่ได้เป็นกรรมของมันมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอดวันสองวันไม่ตายหรอก ถ้ามันจะต้องตายเพราะการอดอาหารขาดอาหารก็ถือว่ามันถึงเวลาของมันแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเรื่องของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับเราเลยเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายวิธีที่เราจะทำใจให้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็ต้องทำใจให้สงบ การที่เราจะทำให้ใจให้สงบเราก็ต้องควบคุมความคิดของเราให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ใจก็จะไม่สงบดังนั้นสิ่งแรกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนวิธีหยุดความคิดก็คือใช้ความคิดหยุดความคิดความคิดที่ไม่ไม่ต่อเนื่องความคิดที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว เช่นคิดคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปถ้าคิดว่าพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดหรือคิดไปกับบทสวดมนต์ก็ได้สวดอรหังสัมมาสวาขาโตสุปตุปัโนสวดไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจนกว่าใจจะเหน่อยก็จะหยุดคิดเองหยุดสวดเองพอหยุดสวดแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบงาย นี่คือวิธีหยุดความคิดเบื้องต้นต้องใช้พุโทโธก่อนต้องพยายามคิดถึงคำว่าพุโทโธอยู่ด้เรื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ว่าเราครับจะทำอะไรก็อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้น ค, คิดถึงคนนี้ให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปได้เรื่อยแล้วเวลาที่เรามานั่งสมาธิพอนั่งคิด พอบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่นานใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายก็จะหายไปจากความรับรู้ของใจตอนนั้นเหมือนกับไม่มีร่างกายตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าการไม่มีร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจใจยังอยู่เหมือนเดิ กับมีความสุขมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไปเพราะไม่ต้องแบกภาระ ก, กับการดูแลรักษาร่างกายเมื่อพอเราได้สมาธิได้ความสงบแล้วเราก็จะรู้จักวิธีปล่อยวางเราจะรู้ว่าการปล่อยวางทําใจให้เฉยนี่เป็นประโยชน์กับเราเพราะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ส่วนร่างกายนี้เราก็ดูแลไปตามกําลัง ดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปเราก็ปล่อยวางเราก็จะอยู่กับร่างกายได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายนี่แหละคือการที่เรามาทำบุญที่วัดกันก็เพื่อที่จะมา ให้ใจของเรามีกำลังที่จะปล่อยวางร่างกายมีปัญญาที่จะสอนให้เราไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะถ้าเราหลงแล้วเราจะสร้างความทุกข์ใจเพราะจะเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากจะให้ร่างกายสวยงามไปเรื่อยๆอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้ร่างกายไม่ตายไป แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เพราะโดยธรรมชาติของร่างกายเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายไปอย่างแน่นอนดังนั้นพอเรารู้แล้วเราจะได้มาทำในสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมาทำใจมาสอนใจเพื่อให้ใจรับกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพื่อให้ใจปล่อยวางร่างกายได้ เพราะถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายไม่ว่าใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายจะเป็นบิานดามารดาเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นทีดาจะไม่ทำให้เรามีความเศร้าโศกเสียใจเลยเพราะเรารู้ว่าตัวเขาไม่ได้ตายสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเขา พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาสามีภรรยาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาบุตรธิดาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเขาก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้าเขายังไม่เบื่อกับการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเขาก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้าเขาเบื่อเขาก็จะหยุดการหา เมื่อเขาหยุดการหาได้เขาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายท่านถึงสอนใจให้หยุดไปหาร่างกายอีกใหม่พอท่านหยุดได้แล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป พวกเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะเบื่อกับพังเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเบื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือรักษาสิงปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วก็หยุดความอยากที่จะกลับมาเกิดพอเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือ การมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะลืมไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะมัวแต่ไปวุ่นวายกับการรักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายแล้วเราก็จะไม่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะมาทาให้ใจเรา ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นถ้าเราพิจณาอยู่เรื่อยๆเถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่ประมาทเราจะรีบมาสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วพอมามีบุญกุศลแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปดังนั้นขอฝากเรื่องของการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสิรรัตนาตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้ามาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแขวงแรงปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาันเธอ